ได้พากันสมาทานพรัฒนาใจแล้วต่อ น, นี้ไปตั้งใจสดับคำแนะนำในการปฏริบัติธรรมฐานสหรับคำแนะนำวันนี้จะขอตัดตอนต้นไปเพราะเป็นการซ้ำกันบ่อยๆก็ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นการเดินทางสายเข้าสู่พระนิพพานโดยโตรง ดนการปฏิบัติตนให้เข้าสู่นิพพานนี้อาจจะต้องพูดกันหลายวันหน่อยตัวเพื่อความเข้าใจของนักปฏิบัติวันนี้จะยกเรื่องสมาธิทิ้งไปและก็จะไม่กรารสเจริตใดทั้งหมดเพราะการเดินทางสายเข้าสู่นิพพาน ต้องเป็นคนมีอารมณ์จิตเข้มแข็งจะไม่ยอมก้มศรีรษะให้แก่กรรมที่เป็นอกุศลทุกอย่างถ้าไม่ฉะนั้นแล้วท่านทั้งหลายก็จะปเป็นเหยื่อควนรกเรื่องที่จะพูดกันถึงนิพพานก็ไม่ต้องพูดกันเราจงรู้ตัวของเรา ตอนนี้ตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เ, เจ้าทรงตรัสถึงความเป็นพระอาริยเจ้าขันธสูนดาสกิาทาคานาคาอร า, ารหันตรัสเป็นเขียดไว้ขอบรรดมทาท่านทั้งหลายจำไว้แล้วก็ น, นำไปประพฤติปฏิบัติเพราะเป็นจุดหมายปลายทางและเป็นทางที่ตรงอย่างยิ่ง จะได้ไม่เอ็ไม่เอียงไม่มีความสงสัยการนี้อวดตัวเพรารู้มากตามธรรมาไม่มีความหมายความสำคัญมีอย่างเดียวคือทาจิตให้พ้นจากกิเลสเป็นสมุเทเธปภานนี่เป็นความต้องการขององค์สมเด็จตัวสมาสมพัพพตเจ้าและก็เป็นความต้องการของผมด้วย เขาได้โปรดจำกันไว้ให้ดีว่าผมต้องการคนที่มีความปรารถนาในการตักิเลสและก็พยายามตักิเลสไม่ใช่เพาะกิเลสในเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสถึงกฎแห่งการที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้า ที่เคยปรารกอยู่เสมอว่าวันดาีิสุสงในพระพุทธ ศ, ศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วต้องมีศีลาสามประการคือหนึ่งอธิเสนาศีาปฏิบัติศีลอย่างยิ่งทำว่าอย่างยิ่งก็ไม้ยควาเครื่องคัดยอมตัวตายดีกว่าศีลขาด มีสินจับใจเป็นอารมณ์สิ่งใดที่ขัดต่อสินเราไม่ทำแล้วสิ่งใดที่ขัดต่อทำความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากระเราไม่ทำสองอธิจิตสิกขาพยายามเร่งรัดอารมณ์สมาธิให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมสส์สงศกจริงๆคือฌานสีน สามารถทิปัญญาศิกขามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมีปัญญาสามารถจะรู้กำหนดการตัดของกิเลสให้เป็นสมุทเฉตระหานเบื้องสูงในสิกขาสามประการนี้ที่ว่าเราจะต้องปฏิบัติกันเพราะคำว่าพิคุแปลว่าผู้เห็นภัยในสงสาร สัมณนกแปลว่าสงบแื้วผู้มีบาปอันลอยแล้วนี่ดูน้ําใจของเราว่าน้ําใจของเราเนะี่ยมันเลวหรือว่ามันดีอาตนาจูทะยัตานังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงเตือนตนไว้เสมอไม่ใช่ไปนั่งเตือนคนอื่นหรือไปนั่งค่อนค่อนคอดค่อนแค่ เป็นนามของคนอื่นถ้าเราไปนั่งค่อยๆ ค, ค, ค่อยแทบเป็นนามของคนอื่นนั้นแสดแว้วเราเลวเกินกว่าที่จะเป็นมนุษย์ได้เป็นมีใส้ของสัตว์ในใบ ย, ยาภูมนี่เป็นเรื่องสำคัญเตือนตนไปเสมอนี่สาหรั บ, บอธิสิทในศิขาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า เป็นวิสัยของพระโสดาเกพระสกิทาคามีจะมาให้ดีนะอาทิตย์จิตสิกขาเป็นวิสัยแห้ได้พระอนาคามีอาทิตย์ปัญญาสิกขาเป็นวิสัยแห่ได้พระอรหัตพล นี่เป็นอนวุวาตถ้ารเราพิจารณาตามรพระพุทธกิกาขอ้อนี้จีเห็นว่าการปฏิบัติตนตรงต่อความเป็นพระอริยเจ้าเป็นของไม่ยากไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าสําหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไม่มีอะไรมาก คือเป็นผู้ปฏิบัติสิงหอย่างเคร่งครัดนั่นเองนี่เราก็หันไปดูองค์ของพระโสดาบันนี่ว่าไปดูสัญญอดของพระโสดาบันเอาสัญญอก่อนสัญญ์ที่เราจะละเข้าถึงพระโสดาบันนั่นก็คือหนึ่งส ก, กายธิกิ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 คิดไม่เสมอว่าความตายอาจจะมีเื่อเราได้สักหนะไม่ใช่ว่าวันนี้ตัวนี้มาเรนี้คิดทิ้งความตายไว้เป็นปุติว่าเราอาจจะต้องตายเดี๋ยวนี้เมื่อเราคิดว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวนี้เราก็ต้องรวบรวม ก, กาลังใจสร้างความดี หรือว่าเมื่อเราตายแล้วจะได้ไม่ติดตกในอบายภูมินี่สำหรับรกาญิติพอตนเมื่อสูดาบันเรียกว่าจะว่ า, าตัดมันยังไม่ถึงเรียกว่าขัดสีเยวิวันส ก, กายาิพี่ให้มันพ่องใสขึ้นเท่านั้นเพราะว่าอารมณ์เดิมของเรามันเต็มไปด้วยความโง่ เราเห็นชมใ บ, บเขาตายดูประวัติไม่เสือไม่เคยคิดเลยว่าตัวจะตายหาความรู้สึกว่าตัวจะตายไม่ได้มีความประมาทสร้างความชั่วเป็นปกติมีอารมณ์เดิมของเรามันเร็วแบบนี้นีมาพรมีมีจิตหวังตั้งใจยึดปฏิบัติตนให้เขาถึงความเป็นพระอริยเจ้า ก็ต้องนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าไม่นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ความประมาทมันก็มีอยู่นี่เมือความประมาทมีอยู่ตายแล้วก็ต้องไปตกสบายอย่างผมแน่เมื่อเรานึกถึงความตายแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราตายท่านี้เราจะไปไหนถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดเป็นคนใหม่ไม่ก็เร็วเต็มที ถ้าเป็นพ่อค้าก็ถือว่าขาดทุนตั้งนี้พ่ออะไรเราลงทุนหนึ่งร้อยบาทค้าขายไปได้เก้าปีสิบปีก็มีทุนอยู่แค่ร้อยบาทถ้าอย่างนั้นเราไม่ทำเลยดีกว่าเป็นอนวรัเราก็ตั้งใจว่าอย่างเร็วที่สุดเราจะเป็นผู้เข้าถึงกระแสของผลิตภัณฑ์ คือเป็นพระโสดาบันเป็นระดับน้อยที่สุดเร็วที่สุดอย่าลืมนะเราต้องถือวา่าการทําจิตให้เข้าถึงพระโสดาบันเป็นความเร็วที่สุดทึงได้ดีน้อยที่สุดที่เราต้องการจะถึงถึงจะเแต่วา่าการกระทึงพระโส ด, ดาบันนี้ถือว่าเข้ากระแสบริญาณ เป็นระยะการที่เราจะก้าวเข้าไปสู่จึงพระนิพพานโดยไม่ถอยหลังคือไม่กลับถอยหลังไม่อีกกรณีพระนิพพานเบื้องตนและขอโทษพระสูน ด, ดาบันเบื้องตนด้วยแก่สตาขัดตรงเราจะเกิดระหว่างเทวดากับมนุษย์หรือระหว่างเทวดากับลมมันเกิดไปเกิดอย่างในเจตชาติเพราะเป็นมนุษย์ชาติที่เจตเราก็เป็นอารหันต อาเวโกลังโกละมีความเึ่งเครียดคือว่ารวบรัฐอารมณ์จิตตั้งอารมณ์จิตไม่มั่นคงกว่าส ต, ตักขตุอันนี้เราก็มีจังหวะในการเกิดเป็นมนุษย์เกิวดาสลับกันถึงนสามชาติเราก็เป็นอรหันต์ถ้ามีอารมณ์เคร่งครัดหรือว่ามีอารมณ์จิตมั่นคงอย่างยิ่ง ในองค์ของพระโสดาบันเราตายจากคนไปเป็นเทวดา ห, หรือกลมพนจากนั้นมาเป็นมนุษย์หนึ่งชาติเราก็เป็นพระอาหารหันต์นี่เป็นอันว่าอาการของพระโสดาบันมีสามอย่างมีสามระดับกรนีคนที่เป็นพระโสดาบันจริงเร า, เอาอะไรเป็นสินน่งสำคัด อันดับแรกเราก็ต้องรู้องค์ของปะโสดาบันตอนนี้พุทธสัญยุกเราไม่จบอันดับแรกเราเน้นถึงสัญญุกเรานึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่เราจะต้องตัดอารมณ์อารมณ์ที่เป็นเกาะขันห้าเรือเกาะกายตอนนี้เราไม่เกาะละลอยน้อยๆที่ว่ า, ากายมันจะต้องตายแน่เราพควบคุมมันไม่ได้แน่นอน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 อันมากั่ววิธีฉาเราใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำาั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพทธเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศีลว่าเราพอจะเชื่อได้ไหมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าศีลเลยนสุขติยนันติศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุข สีเลนะโคกสามาทาสินเป็นปัจจัยทรัพย์สินเยียกเย็นสีเลนะนิพุติงยันติสินเป็นปัจจัยเข้าถึงผลิภัาฑ์ใช้ปัญญาพิจารณาสินค้าประการว่าเราต้องการให้บุคคลทั้งหลายมีสินเพื่อเราแต่เราล่ะเป็นผู้มีสินเพื่อบุคคลอื่นไหม คำว่าเราต้องการให้คนมีสินเพื่ อ, อคนอื่นมีสินเพื่อเราหมายความเราไม่ต้องการให้ใครมาฆ่าเรามาทำร้ายเรามาลักทรัพย์สินของเราแย่งคนรักของเรามาโกหกมเ่เคลดพูดเสียสีพูดทำยาพูดเพื่อเจือเลีวไหลไม่ไรประโยชน์และเป็นคนไร้สติสมัญญะอันที่เราไม่ต้องการในเมืม่อเราไม่ต้องการเราก็ใช้ปัญญา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 เป็ น, นการเสียดแทงใจของบุคคลอื่นทำลายความดีของบุคคลอีที่มีอารมณ์ติดยังไม่มั่นโง่นะอ้การอย่างนี้เกิดขึ้นใครเร็วเราผู้กวดกัแหะเร็วที่สุดเพราะอะไรจึงเร็วเขาไม่ควบคุมวาจาให้ดีนี่ทางกายล่ะ ถ้าหากว่าวาจาไม่ดีเ่คนคนเลวถ้ากายไม่ดีข่าสัตว์ตัจิวิรักมนของเขายื้อแย่งความรักถ้าเราเลวอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ต้องการเราไปตามเขาเขาจะว่าเราเลวเกินกว่าที่เราจะคิดเขาจะคิดว่าเป็นคนนี่มันเลวเกินไปใสนสาหรับการรา้สติสำนึัญญะเป็นควาีดีไหม การดึงดูรายมีรายเป็นปัจจัยให้ราสติสัมปชัญญะมันก็ไม่ดีคนไม่มีสติสัมปชัญญะมีสัตว์เลี้ยงมีค่ามากกว่าเพราะยังไงยังไงมันก็เป็นสัตว์ดวงความว่าคนที่มีกายชั่วมีวาจาชั่วมีสติปปชั่วอย่างนี้มีค่าไม่เท่าสัตว์เลี้ยง เพราะอรเาสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์กันอยู่ในาบายูกูมันไม่ประจัจว่ามีอารมณ์รู้พิเศษมันยังต้องโทษอยู่แต่เราเป็นคนรู้ดีรู้ชั่วรู้ตัวว่าถ้าใครทําความดีเราชอบใครพูดดีเราชอบแต่ว่าเรากับทําชั่วเพื่อเขาเราพูดชั่วเพื่อเขา อย่างนี้เรามีค่าไม่เท่าสัตว์หรื้ยังหรือเก็บเราไปทีก็มีค่าตัวไม่เท่ากับสัตว์ทั่วไปในโลกเลวประศักด์เพราะอะไรเพราะสัตว์ตายแล้วเกิดเป็นสัตว์ใหม่หรือมิเชนังก็เกิดเป็นคนมิเชนังก็เกิดเป็นเทวดาแต่คนที่มีกายชั่ววาจายชั่วเมีอสติชั่วตายแล้วลงอนารจ ถ้าชั่วมากลงเทีเ่ยวเวทีมานรกนี่เราก็ลองเทียบกันว่าคนประเภทนั้นกับสัตว์ไร่ฉานเนี่ยใครจะดีกว่ากันนี่เป็นอนุวาตคนประเภทนั้นมีความดีไม่เท่าสัตว์ไร่ฉานใครต้องการบ้างพวกเรามีความต้องการไหมอาการอย่างนี้ใครต้องการบ้าง ถ้าต้องการก็อยู่ที่นี่ไ่ได้เพราะที่นี่ไม่ต้องการคนที่เกิดเป็นคนแล้วแต่ว่าทำตนเพื่อความเป็นสัตว์แัะเลยกว่าสัตว์เป็นอันว่าเราต้องไปนำตัวแบบนี้อัตนาโจทยับตาหนังเพราะพระุทธเจ้าทรงเตือนรัตนนักนี้ผู้จดเสมอว่าจงเตือนตนรู้ตนอยู่เสมอ ระเบียบมีวิ น, นัยมีสํานักนี้ท่านเลวแล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วก็จงอย่าไปอยู่ที่ไหนเลยถ้าที่ดีไม่มีใครเขาพบเขาฟังธรรมะกันวันละสี่เวลาแต่ว่าถ้ายังเลวอยู่แสดงว่าสัตว์ที่ชาญดีกว่าเราเยอะ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 นี่เราต้องบรรนามตัวเราแบบนี้คนดีเนี่ยเขาไม่ไม่ยกย่องตัวเองคนดีเขาบรร nam ตัวเองเพราะพระพุทธเจา้าบอกอัตนาโจทย์ญาตาาิธรรมาจงพยายามประนามตนไว้เสมอโจทย์กล่าวโทษมองหาความผิดของตัวไว้เป็นปกติอย่าไปหาความดีในเมื่อมันหาความผิดไม่ได้แล้วมันก็ดีเอง ถ้าไม่มีชั่วรมันดีนี่เป็นอันวา่าศีลพัตปรามาต <สะ S 1> องพระโสดาบันคือหมายคามสัญญตธิไรจะตัดนึกถึงไม่เอาไม่อะไรในชีวิตเกินไปรู้ว่าเราจะต้องตายสองไม่สงสัยในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามรักษาสิ่งบริสุทธ นี่เราจะเห็นว่าพระโสดาบันมีเท่านี้ตอนนี้เราก็หันไปทีถึงองค์ที่เป็นสังโยชน์บุคคลผู้เป็นพระโสดาบันมีารมอย่างนี้หนึ่งเคารพในพระ เ, เจ้าสองเคารพในพระธรรมสามเคารพในพระสงฆ์แล้วก็สี่มีศีลห้าบริสุทธิ์ สำหรับครวาดสำหรับพระมีสินสองร้ยี่ิเจ็บริสุทธิ์สำหรับเนรมีสินสิบริสุทธิ์ถึงพระสกิทาธรรมนี้วมเหมือนกันมีเท่า น, นีตอนนี้สมมติว่าจะถามว่าคนที่เขาไม่เคยเจริญพรรมฐานต่ชอบสวดมนต์เป็นปกติมีสินห้าบริสุทธิ์ จะถามว่าคนประเภทนี้เป็นพระโสดาบันได้ไหมก็ต้องตอบว่าได้คนที่คนนั่งสวดมนต์เป็นปกติเขาสวดด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธรรมเคารพในพระอริยสงฆ์เพราบทสวดมนต์ทุกบทมีค่าเท่ากันคือสรรเสริญความดีของพระพุทธเจ้าสรรเสริญความดีของพระธรรมสรรเสริญความดีของพระอริยสงฆ์ แล้เขามีสินบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ต็อระวังนิดหนึ่งถ้าเรามีจิตเบาเทียงเท่านี้อาจจะยังไม่เรียกว่าโสดาบันอาจจะเรียกว่ากัลยาณชนนี่แต่บุคคลผู้นั้นเขามีกำลังใจเพิ่มไปอีกนิดหนึ่งว่าที่เรายอมเคารพในพระพุทธเจ้ายอมเคารพในพระธรรมยอมเคารพในพระสง มีสินห้าบริสุทธิ์อย่างนี้เรามีความประสองค์อย่างเดียวคือพระนิพพานถ้าอรมณ์ใจเขาอย่างถึงพระนิพพานอย่างนี้เป็นประสดาบันแม่นม่อารมณ์ของประโสดาบัญมีเท่านี้ถ้าสิกขาทรรมนี้จะไม่กันแล้วเราก็จะลืมอีกนิดหนึ่งแต่บอกเป็นประสดาบันทำไมยังรักเขาอยู่ละ่ะ ยังอยากแต่งงานยังอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงนี่ก็ต้องยับลงไปด้วยว่าดูองค์พระโสดาบันทิก็มีอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระพุทธเจ้ากล่าวอาธิศีณสิกขาคือมีสีลยิ่งเท่านั้นเองพระโสดาทศกิฐาคามีความสำคัญอยู่ที่สิน เขาอยากรวยเขาก็ไม่โกงใครเขารักเขาก็อยู่ในขอบเขตของศีงเลเขารวยเขาไม่ข่าใครเขาหลงรักสงสวยหลงงามงเขาก็ไม่ลืมความตายนี่จำไว้ว่านี่เป็นองค์ของปสนดาบันในการปฏิบัติเท่าถึงความเป็นปสนดาบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เบื้องตน อ ง, งสมเด็จพระทศพงศ์กล่าวว่าเต็มไปด้วยอธิสีนัสขาสำหรับการพูดในวันนี้ก็ข อ, อยุสีไ ว, เว้เพราะหมดเวลาต่อที่นี้ไปขอท่านอย่งางไร้ตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกใช้คำภาวนานและพิจารณาตามอิญญาศัยเพื่กว่าจะได้ยินเส้นญาณบอกบท ว, วลา